เสียงหนังสือเรื่องจิตคือพุทธโดยพระราชวุฒาจารย์หลวงปูดูลอตุโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จิตคือพุทธคำนำ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 คำสอนของ่วงโปเมื่อมาอ่านหนังสือเล่ม น, นี้อาจเกิดความสงสัยขึ้นว่าเหตุใดคำสอนของหลวงปู่จึงมีส่วนคล้ายคลึงกับคำสอนของ่วงโปมากคำถามนี้สิทธิของหลวงปู่ดูนท่านหนึ่งได้ให้คำตอบไปว่าหลวงปู่ท่านยืมถ้อยคำของท่าน่วงโปมาใช้เรื่องนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ท่านเจ้าคุณพระราชวัรคุณเป็นผู้นาหนังสือคำสอนของหวงโปที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแปลไว้ไปถวายให้หลวงปู่พิจารณาหลวงปู่เห็นว่าท่านหวงโปบัญญัติถ้อยคำไว้ตรงกับสภาวะดีแล้วและท่านอาจารย์พุทธทาสก็แปลไว้ดีแล้วด้วยจึงนำมากล่าวสอนเพียงบางส่วนเท่าที่เห็นว่าผู้ปฏิบัติควรทราบ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 พระวิสุทธิธรรมรังสีหลวงพ่อเปลี่ยนโอภาโสวัดป่าโยธาประสิทธิ์จังหวัดสุรินทร์พระชินวงศ์สาจางวัดกระดึงทองจังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อสุวัตสุวัโจวัดถ้ำสีแก้วจังหวัดสกลนครและพระราชวรคุณวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์เป็นต้น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 เป็นบุตรคนหัวปีในจำนวนพี่น้องทั้งหมดสี่คนเมื่ออายุ22ปีหลวงปู่ได้อุปสมบทที่วัดจุมพลสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสุรินโดยมีท่านพระครูวิมลศิลรปรทองเป็นพระอุปชาในพรรษาที่หหลวงปู่ได้เดินทางด้วยเท้าไปจังหวัดอุบลราชธานี